อรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดจะรู้อริยสัจได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง แมพปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระปัญญาที่คุณเป็นต้นดังนี้สาหุทัสนนามหาริยานังสนิวาสโซจดาสุโคอาดัสเนนาบาลานังนิจามวาสุขีสยา พาลาสังคตจารีดีขมัทนาโจดีดุโคพเลหิสังวาสโออมิเตเนวัสบดดาทิโรจะสุขังสังวาโสญาตินังวาสมาฆโมตัสมาหิที อลัญจาปัญญาพหุสุดันจาทรไรหัสีลังวัะวันตะมาริยังตังตาดิสังสั ป, ปุริสังสุเมทังภเชธานาคาตะปะทังวจานติมาการได้พบเห็นล่าวอริยะบุคคลเป็นการดีการอยู่ร่วม กับเราอริยบุคคลให้เกิดความสุขทุกเมื่อบุคคลพึงเป็นผู้มีความสุขเป็นนิจแท้จริงเพราะไม่พบเห็นพวกคนพาลเพราะว่าบุคคลเที่ยวสมาคมกับคนพาลย่อมโศกเศร้าตลอดการยืดยาวนานความอยู่ร่วมกับพวกคนพาลให้เกิดทุกข์เสมอไปเหมือนความอยู่ร่วม กับด้วยศัตรูนักปราชททั้งหลายมีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติเพราะฉะนั้นแลท่านทั้งหลายจงคบหาผู้ที่เป็นปราชและมีปัญญาทั้งเป็นผาหูสูรนำธุระไปเป็นปกติมีวัดเป็นอริยบุคคล เป็นสัตว์บุรุษมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนดังพระจันทร์ซ่องเสพครองแห่งนักขัดตราจรเช่นนั้นน้ำปับันนี้อาตมภาพจะได้นำพระธรรมคำสอนของพระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าซึ่งสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังคือ นำอกุศลมีราคะโทสะโมหะให้ออกไปจากใจและก่อให้เกิดกุศลมีศรัทธาเป็นต้นเจริญขึ้นชำระกิเลสได้ทำผู้ฟังธรรมให้ถึงประโยชน์สูงสุดคือความสิ้นอาสวะกิเลสรู้แจ้งในริยสัจจะทำเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนมาแล้วในวันนี้จะได้นำเรื่องของพระ ม, ม, มหากสปะ มาแสดงต่อจากคราวที่แล้วเพราะว่าได้แสดงค้างไว้ในสังยุตตนิกายนิทานวักเกี่ยวกับเรื่องชีวประวัติอันงดงามประเสริฐด้วยคุ ณ, ณธรรมที่เป็นตัวยอย่างแก่พระอรหันต์และพุทธบริษัททั้งหลายในคราวนี้จะได้นำพิกุนูปัสยะสูตรซึ่งเป็นเรื่อง ว่าด้วยพระอาณนนนิมนต์พระมหากระสปะไปสํานักนางภิกษุณีข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากระสปะอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนานตบิตริกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลเวลาเช้าท่านพระอานนนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปหาท่านพระมหากระสปะถึงที่อยู่ ขั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากรสปะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านไปยังที่พำนักของภิกษุณีด้วยการเถิดท่านพระมหากัสปะจึงกล่าวว่าท่านไปเถิดอาโนนผู้มีอายุท่านเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านพระอาโนนก็นิมนต์พระมหากัสปะและท่านพระมหากรสปะก็ได้กล่าว ดังเดิมอีกครั้งนั้นแลเวลาเช้าท่านพระมหากัสปะนุ่งแล้วถือบาทและจีวรมีท่านพระอาหน์เป็นปัจฉาสมณะคือเดินตามหลังเข้าไปยังที่พำนักของภิกษุณีขั้นเข้าไปแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ครั้งนั้นภิกษุณีเป็นอันมากพากันเข้าไปหาท่านพระมหากัะสปะถึงที่พักขั้นเข้าไปแล้วจึงกราบท่านพระมหากรสปะ แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครัภิกษุณีเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระมหากระสปะยังภิกษุณีเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาฏฐานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาก็คือแสดงธรรมเป็นการต้อนรับหรือเป็นการให้ภิกษุณีเหล่านั้นเห็นแจ้งนี่ก็คือเกิดปัญญา รู้ในอริยสัจส์่ให้สมาทานถือเอาในใจศิกขาให้อาหานก็คือให้กล้าหารให้เชื่อมั่นว่าเราปฏิบัติแล้วจะพ้นทุกข์ได้ให้รื่นเริงคือให้เกิดความปลื้มปิติใจที่ได้ฟังธรรมและได้กระทำตามธรรมอันนี้เป็นวิสัยของพระมหากัสสปะหรือของพระหันทั่วไปครั้งนั้นแลท่านพระมหากัสสปะ ขั้นยังภิกษุณีเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมวิกแล้วแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปข้างนั้นแลภิกษุณีชื่อทุลละติดสาไม่พอใจจึงเปล่งคำแสดงความไม่พอใจว่าอันนี้ก็คือโกรธนั่นเอง โกรธพระมหากัสสปะแล้วกล่าวคาปัทุสลายว่าเพราะเหตุไรเล่าพระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปะจึงสำคัญทำที่ตนควรกล่าวต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าอานน์ผู้เป็นมุนีเปลืองปราเปรียบเหมือนพ่อค้าเข็มสำคัญว่าควรขายเข็มในสำนักของช่างเข็มผู้ชำนาญชั้นใด พระผู้เป็นเจ้ามห า, หากัสปะย่อมสำคัญทรรมที่ตนควรกล่าวต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าอานอนท์ผู้เป็นมุนีเปลืองปราดชั้นนั้นฉันนั้นเหมือนกันนี่เป็นคำตำาหนะตำฎีติเตียนของภิกษุณีชื่อทุลละติดสาซึ่งไม่รู้คุณของพระมหากัสปะตามความเป็นจริงนี่ก่อนจะฟังต่อไป มีการอธิบายในอัถกถานี่ว่าเหตุใดท่านพระอานนท์เนี่ยจึงวิงวอนให้ท่านพระมหากัสปะไปสู่ที่พักของภิกษุณีตอบว่าไม่ใช่เพราะเหตุแห่งลาบและสักการะที่วิงวอนท่านพระมหากัสปะก็เพราะว่าในที่พักภิกษุณีนี้พวกภิกษุณีที่ต้องการกรรมาฐานคือต้องการทํากรรมฐานทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานั่นมีอยู่ ก็เราคือพระอณนนท์นะจะยังภิกษุณีเหล่านั้นใหเกิดความขวนขวายแล้วพึงให้บอกกรรมฐานดังนี้ทีนี้มีคำถามต่อไปว่าพระอณนนท์เทระท่านก็ทรงพระไตบิดกเป็นพระหูสูตรไม่ใช่หรือไม่สามารถจะบอกกรรมฐานเองได้หรือตอบว่าบอกได้แต่ท่านพระอณนนท์ที่วิงวอนวิงวอนพระมาะหาคสปะ ก็เพื่อเหตุว่าด้วยความกรุณาต่อพวกภิกษุณีว่าพวกภิกษุณีจักสำคัญคือจักเคารพธรรมของพระสาวกผู้มีส่วนเปรียบด้วยพระพุทธเจา้าอันตนพึงเชื่อคือพระมหากัสปะได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัพพุทธเจา้าว่าเป็นอยู่ด้วยคุณธรรมวิหารธรรมเนี่ยคำเครื่องอยู่เนี่ยเสมอด้วยพระองค์แล้วพรพุทธเจากก้าก็ทรงยกย่อง ไว้ในฐานะที่เป็นผู้เลิศในทุดงประพืชทุดงและสารเสริญคุณของทุดงเพราะฉะนั้นผู้ภิกษุนีจะได้เห็นความสำคัญคำสอนของพระมหากัสปะที่นี้พระมหากัสปะปฏิเสธก่อนตอนแรกบอกว่าท่านไปคนเดียวเถิดเพราะว่าท่านเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากอันนี้พระธักษา อธิบายว่าคำว่ามีกิจมากมีธุระมากนั้นหมายความว่าอย่างไรคือมีคำถามว่าพระเถระนี่เป็นผู้ขวนขวายในการก่อสร้างหรืออย่างไรก็ตอบว่าเมื่อพระศาสดาของเราปรินิาพานไปแล้วพุทธบริษัททั้ง4นั้นเข้าไปหาพระอา น, นุ์เถระแล้วร้องไห้อยู่กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ บัดนี้ท่านรับบาตรและจีวรของใครเที่ยวไปเล่าคือเมื่อพระพุทธเจ้าปณิธานแล้วพระนลก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าอยู่ยังรำลึกถึงอยู่ยังถือบาตรของพระพุทธเจ้ายังถือจีวรของพระพุทธเจ้าเดินไปตามปกติที่เคยกระทําวัดอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธบริษัท เมื่อเห็นพระอานนท์ถือบาทถือจีวรของพระศาสดาก็เหมือนกับได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ระลึกถึงจึงร้องไห้แล้วมาถามนอกจากนี้พระอานนท์ก็ทำวัดเป็นปกติคือกวาดบริเวณพระคันธกุฎีเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้พุทธบริสั์ก็มาถามว่าท่านกวาดบริเวณของใครถวายน้ำล้างหน้าแก่ใครคือพระอานนท์ก็ยัง ทำกิจที่ตนเคยทําอยู่ด้วยการไปที่พระคันทกุดีเป็นต้นนะแล้วปฏิบัติเป็นพุทธอุปถากเหมือนเดิมพระเถสะปรัพุทธบริษัทว่าสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือมันมีแล้วมันก็หายไปสิ้นไปสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายเป็นอย่างนี้ พญามัจจุราชไม่ละอายประหารแล้วแม่ในพุทธสรีละคือความตายเนี่ยไม่เคยเขารบยำเกรงใครเลยไม่เคยละอายใครเลยที่จะกระทําให้บุคคลนั้นๆถึงแก่ความตายแม้พญามัจจุราชก็ได้ประหารแล้วคือทำลายแล้วแม่ในพุทธสรีละของพระศาสดา พระนดกลาวว่านั่นเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญดังนี้คือการปรอบโยนพุทธบริษัทเป็นกิจของพระอานนท์หลังจากพระเจ้าพริริพานไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกิจมากมีธุระมากแล้วที่พระมหากรสปะแสดงธรรมให้ภิกษุณีนั้นเห็นแจ้งก็หมายถึงว่าแสดง ผลหรือหรือแสดงคุณประโยชน์แห่งการปฏิบัติให้ถือเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทดธ เ, ดเจ้าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ให้อาจหารคือให้มีศรัทธากล้าหาญไม่ย่อท้อให้เชื่อไม่ต้องสงสัยและก็ที่บอกว่าให้รื่นเริงก็คือให้ยินดีรุ่งเรือง ด้วยคุณที่ได้แล้วคือที่ได้บรรลุแล้วเช่นบรรลุโซดาปฏิผลเป็นต้นให้ได้ดีใจว่าโอ้บัตรนี้เราได้ผลตามที่ผู้เดียเจ้าแสดงแล้วคือเป็นพระยาบุคคลชั้นนี้ชั้นนี้บัตรนี้ทุกต่างๆที่เรายัางละไม่ได้ก็ได้ละไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้นางทุนละติดสาเนี่ยที่ชื่อว่าชื่อว่าทุนละทุลละแปลว่าอ้วนนางเนี่ยชื่อติดสา แต่เพราะมีร่างกายอ้วนเลยเรียกว่าทุลละติดสาคือติดสาอ้วนทีนี้นางเนี่ยนับถือยกย่องเคารพพระอานนท์มากเพราะฉะนั้นนางจึงกโกรธนะโกรธพระมหากัสปะว่าพระมหากัสปะเนี่ยมายเห็นว่า ร, รมของตนเองเนี่ย ดีหรืออย่างไรจึงมาแสดงต่อหน้าพระอานุลซึ่งเป็นมุนีเปลืองปราดคำว่ามุนีก็คือทํากิจทั้งปวงด้วยความรู้หรือญาณคือจะทําอะไรเนี่ยคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาต้องใช้ปัญญาซะก่อนว่าทําบันนี้แล้วเนี่ยจะได้ผลอะไรมองไปเนี่ยจะได้อะไรฟังเนี่ยจะได้อะไรดมเนี่ยจะได้อะไรกินเนี่ยจะต้องทําอย่างไรจะได้ผลอะไรหรือว่าเคลื่อนไหวคิด พูดจะต้องใช้ปัญญาก่อนนี่เป็นลักษณะของบัณฑิตแต่ถ้าคนพาลแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญญาที่จะไปพิพจารณาประโยชน์หรือโทษได้เลยว่าทาอย่างนี้แนละ้วมันได้โทษอะไรได้ทุกอะไรไม่รู้หรือว่าทาอย่างนี้ได้ประโยชน์ได้ความสุขแก่ใครแก่เราหรือแก่เขาเนี่ยคนพาลเนี่ยไม่รู้แต่บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยรู้เพราะนั้นจึงเป็นข้อแตกต่างกันอย่างมาก ด้วยเหตุที่พระเถระเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาอยู่เสมอจึงเรียกว่าเป็นเวเทหะมุนีเพราะว่าเป็นมุดีด้วยมุนีนั่นก็คือว่าเป็นผู้มีความสงบด้วยปัญญาด้วยแล้วก็เป็นผู้มีความรู้คือปัญญาด้วยทีนี้พระมหากรสปะนั้นเป็นผู้อยู่ป่าเป็นผู้ทรงผ้าบางสุ ก, กุลเป็นประจำ นางภิกษุณีก็เห็นว่าไม่ได้มาเป็นไม่ได้เป็นพระธรรมกรถึกคือไม่ได้เป็นพระนักเทศจึงได้กล่าวต่อว่าอย่างนั้นว่าพระมาหากาัะสปะได้มาสำคัญธรรมที่ตนควรกล่าวโดวยคิดว่าเราเป็นธรรมกรถึกในที่ต่อหน้าของพระอานนท์ผู้ทรงพระไตเปโตกเป็นครังพระธรรมหรือคือพระอานนท์เนี่ยเป็นเป็นครังพระธรรมวินัยเรียกว่าครังปริยัติธรรม คือพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมวินัยพระอภิธรรมอย่างไรพระอานุนทรงจําไว้ได้หมดแปดหมื่สี่พันพระธรรมขันแล้วก็ยังพระอัตฉริยะอีกก็ทรงจําไว้ได้จึงได้เรียกว่าเป็นครังแห่งพระธรรมใครต้องการจะฟังธรรมก็ไปหาพระอานนุ์ใครต้องการจะบูชาพระธรรมก็ไปบูชาพระอานนุ์พระพุทธอนุนทรงจําคําสอนของ พระพุทธเจ้าไว้ได้หมดไม่คาดเคลื่อนเลยชื่อเสียงในปรากฏไปทั่วเพราะนั้นนางทุลละติดสาเนี่ยจึงคิดว่าพระมาหากระสปารเนี่ยไปอยู่ป่าแล้วจะมาคิดว่าเป็นนักแสดงธรรมแล้วมาแสดงธรรมต่อหน้าพระอานต์อีกหรือเกิดความไม่ชอบใจนะความอิจฉาขึ้นมาอย่างนี้ความโกรธขึ้นมาก็เลยกล่าวพูดดูหมิน พระมหากัสสปะวานทำอย่างนี้ได้อย่างไร mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. จึงได้เปรียบ mm hmm. เทียบว่าพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อค้าเข็มแล้วเอาเข็มเนี่ยมาขายกับนายช่างเข็มผู้ชำนาญแบบที่เราบอกว่าสอนหนังสือภาะสังฆราชหรือว่ามะพร้าวห้าขายสวนที่เราว่าอย่างนั้นคือแม้ว่าพ่อค้าเข็มเนี่ย มีเข็มก็จริงแต่ว่าสู้ช่างผู้ชำนาญในการทำเข็มไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นนะท่านพระมหากรสปะได้ยินภิกษุณีทุลักติสากล่าววาจานี้แล้วจึงกล่าวกับท่านพระอนุ์ว่าดูก่อนผู้มีอายุเราเป็นพ่อค้าเข็มท่านเป็นช่างเข็มหรือเราเป็นช่างเข็มท่านเป็นพ่อค้าเข็มอันนี้ไม่ใช่คำประชดประชันนะแต่ถาม เพราะว่าได้ยินได้ยินนางทุลละติดสาว่าอย่างนี้ก็เลยถามเลยว่าใครเล่าเป็นพ่อค้าเข็มท่านเป็นหรือหรือว่าเราเป็นแล้วใครจะเป็นช่างเข็มใครเป็นพ่อค้าเข็มเราหรือท่านท่านพระอานนนจริงตอบว่าข้าแต่พระมหากัสปะผู้เจริญขอท่านประธานขอท่านโปรดประธ า, านโทษเถิด มาตุคามเป็นคนโง่บอกเลยบอกว่าขอท่านโปรดให้อภัยแก่ผู้หญิงคนนี้เถอะภิกษุณีคนนี้เถอะเพราะว่าเป็นคนโง่ก็จริงๆคือไม่รู้คุณของพระมหากรสปะว่าท่านมีคุณอย่างไรว่าท่านเนี่ยเป็นพระหันที่ยอดเยี่ยมอย่างไรเป็นพระอัครสาวก เ, เ, เป็นพระมหาสาวกองค์ที่สาม มีทำเครื่องอยู่เสมอโดยพระพุทธเจ้ามีสติปัญญาบริสุทธิ์อย่างใดบำเพ็ญบารมีอย่างไรมานี้ยังไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าการจะรู้จากอริยบุคคลนะเป็นของยากเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นพระรยะบุคคลแล้วนั่นแหละลเราถึงจะรู้ได้ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพริรยาบุคคลเราก็รู้ไปโดยปัญญาเล็กๆน้อยๆของเราเอง แต่ที่จะสำคัญผิดนะอาจจะมีได้อย่างเช่นนางทุลละติดสาภิตรภิกษุนีเนี่ยพร ะ, ะ น, นพานอนท์จึงบอกว่ามาตุคามเนี่ยเป็นคนโง่นะที่เป็นคนโง่ก็อย่างที่บอกแล้วไม่รู้นะไม่รู้ว่าพร ะ, พร ะ, พระมาหากรสปะมีคุณอย่างไรในที่นี้ก็รู้เลยว่าพระมาหากัสปานี่เป็นนายช่างเข็มผู้ชำนาญคือเป็นผู้รู้พระพุทธพจน์และปฏิบัติได้ บริบูรครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนพระอานอน์นั้นเป็นเพียงพ่อค้าเข็มคือยังเป็นโสดาบันอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำสังฆนาครั้งที่หนึ่งหลังจากพุทธญาณปรินิพานแล้วพระอานอนก์ก็มีความกรุณาต่อภิกษุณีจึงได้นิมนต์พระมาหากัะสปะมาเพื่อให้ภิกษุณีในเกิดความเคารพยำเกรงว่าพระมาหากสปะมีคุณคล้ายๆกับพระพุทธเจ้า อย่างนั้นนะทีนี้พระมหาพระมหากับสปะก็เลยกล่าวว่างดไว้ก่อนอานนนผู้มีอายุหมู่ของท่านอย่าเข้าไปสอดเห็นให้เกินไปนักดูกอ่อนอานนนผู้มีอายุท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนท่านถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกสุเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างหรือว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเราหวังสงัดจากกรมสงัดจากอากุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ได้เท่าใดแม้อานนท์ก็หวังสงัดจากกรมสงัดจากอกุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ได้เท่านั้นเหมือนกัน เคยมีไหมคือว่าพระอนนท์ที่อยู่อยู่ต่อหน้าพระภักพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระอนนท์ว่าเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าเองเนี่ยวังจะเข้าฌานนานเท่าใดก็อยู่ได้แล้วทานพระอนนท์นะหวังที่จะเข้าฌานที่หนึ่งเนี่ยแล้วอยู่ได้เท่านั้นเท่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะมีบ้างไหมท่านพระอนนท์กล่าวว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านผู้เจริญไม่เป็นไม่รับการยกย่องอย่างนั้นนะ่ะ ท่าพระมหาคัจจปะจึงกล่าวต่อว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุเราเองถูกนําเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระพักดพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราหวังสงัดจากการมสัดจากอากุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานคือทำปฐมฌานเนี่ยซึ่งปฐมฌานเนี่ยเป็นฌานขั้งแรกจะมีวิตก วิจารปีติสุขและเอกขตานะในที่ที่ท่านบอกว่ามีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ได้เท่าใดวิเวกอันนี้ก็คือว่ามันไม่มีกามสมาธิมันไปข่มกามไว้อยู่ได้เท่าใดแม้กัสปะก็หวังสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมแล้วเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ได้เท่านั้นเหมือนกัน พระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเลยว่าถ้าพระพุทธเจ้าเข้าฌานถ้าเข้าฌานหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เข้าฌานได้เท่าที่พระพุทธเจ้าเข้าอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้นานเหมือนกันดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราหวังเข้าถึงทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณพระวิตกวิจารณ์สงบไปอันนี้ก็ฌานที่สองนี่ก็ละเอียดเข้าไปอีก ตัววิตกที่ทำหน้าที่ต้องตึกอารมณ์ตึกตึกเป็นปฏิภาคนิมิตนะเช่นตึกแสงสว่างอย่างเนี้ยที่ตึกที่ที่เป็นอารมณ์ของปฐมฌานอย่างนั้นนะพอปฐมฌานละไปแล้วจะเข้าทุติยฌานฌานที่สองพรกเจ้าก็สามารถทำได้คือละวิตกวิจารมีแต่ปีติสุขและก็สมาธิอยู่ได้เท่าใดแม้พระมหากรสปะ ก็หวังเข้าถึงทุติยานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารพระวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ได้เท่านั้นเหมือนกันแต่ท่านพระอนเนเนยไม่ได้ทำไม่ได้นะไม่ได้รับการยกย่องไม่ใช่ทาไม่ได้ทาได้แต่ไม่ได้รับการยกย่องเช่นกันชาญสาชาญสี่อากาสานัญญายยตนะ คืออรูปฌานที่หนึ่งวิญญาณัญจายตนะเพ่งอารมณ์แล้วก็เพ่งวิญญาณแล้วบอกว่าวิญญาณไม่มีที่สุดพิจารณาเห็นวิญญาณไม่มีที่สุดนี่เป็นอารูปฌานที่สองอากินจัญญายตนะเป็นอารูปฌานที่สามเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นอารูปฌานที่สและสุดท้ายนะราหวัง เข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธคือดับจิตนะดับจิตเจตสิกเข้านิโรธนะอยู่ได้เท่าใดแม้กัะสปะก็หวังเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธนะอยู่ได้เท่านั้นเหมือนกันเรียกว่าอนุ ป, ปุพพะวิหารสมาบัติการเข้าไปตั้งอยู่ตามลำดับนะอนุก็ตามลำดับปุพพะก่อนหลังวิหาระคือเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยของพระ มหากระสปะเสมอด้ดยผูพุทธเจ้าุทธเจ้าจะเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแล้วไปเข้าอารูประชนหนึ่งอรูปประชนสองอรูประชนสามอรูประชนสี่แล้วเข้าสัญญาเวทธยินตานิโรธพระมหากระสปะก็ทำได้แต่พระอานนท์ไม่ได้รับการยกย่องต่อไปนะดูกนท่านผู้มีอายุเราเองถูกนำเข้าไปเปรียบเทียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระภาคผู้ตรีเจ้า ว, ว่า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 เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคําพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีลิศมีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได้อย่างใดแม้กสัะก็หวังอย่างนั้นได้เหมือนกันคือกสัะบรรลุอิทธิวิธีหลายประการเหมือนกันอันนี้เป็นอภิญญาที่หนึ่งนะอภิญญาที่หนึ่งอย่างลางหูอมจันทรยยังไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกหรือว่าอลาหูสุริยะคลาดอะไร มันเป็นเรื่องไม่น่าตื่นเต้นนะแต่คนก็ตื่นเต้นเพราะว่าเธอไปตามนักวิทยาศาสตร์แต่เนี่ยทำได้นะทำอิทธิวิธีเนี่ยเอามือรูปํำพระาทิตย์พระจันทนระ์ทำได้จริงๆโดยอาศัยการเข้าสมาบัติคือเข้ารูปฌานสี่แล้วอธิฐานก็จะสำเร็จได้ ต่อไปนะอภิญญาที่สองดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราหวังได้ขออภยัยเราหวังว่าเราได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์เสียงทิพย์นี่คือเสียงพวกเทวดาทั้งที่อยู่ไกลทั้งที่อยู่ใกล้ได้อย่างใดแม้กาสปะก็หวังอย่างนั้นได้เหมือนกันเหมือนกันหมดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราหวังว่าเราย่อมกําหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตาจิตเป็นมากคตานี่ก็คือจิตที่ได้ฌานได้ได้รูปฌานจิตไม่เป็นมหากคตา จิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอันนี้ก็เป็นอรูปฌานไปจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นรู้หมดจิตของคนต่างๆเป็นอย่างไรแม่พระหมหากระสปะก็หวังอย่างนั้นได้เหมือนกันนี่เป็นอภิญยาที่สามที่พระหมหากระสปะทำได้แต่พระอนนุ์ไม่ได้นะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราหวังว่า เราตามระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือตามระลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างนะเอาเอาเอาเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันตลอดสังวัตตกับเป็นอนเนกบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอนเนกบ้างนะสังวัตตกับนะกับที่มันเจริญและวิวัตตกับกับที่มันเสื่อมอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาพิเศษนะที่เรียกว่าสังวัตตกับวิวัตตะกับเป็นยังไงเนี่ย ตลอดสังวัตตกับวิวัตตกับเป็นอนเนกคือนับไม่ถ้วนบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้รู้ไปทั้งชื่อมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภ พ, พนัน้น Lane เราก็มีชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นคือไม่เดิลึกชาติเดียวแล้วลึกนันบไม่ได้แล้ ว, ลวไม่ต้องไม่ต้องตามลําดับด้วย ลึกตรงไหนก็ได้ขอพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะฉนั้นเราเชื่อได้เลยว่าเราเนี่ยเคยเกิดมาแล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกว่าชีวิตของเราเนี่ยที่จะไม่เคยเกิดเป็นอะไรเนี่ยหายากเหลือเกินยกเว้นก็มีบางมีบางมีบางพบเท่านั้นที่เราอาจจะยังไม่เคยไปแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ไปไปอยู่ได้ไปเกิดไปตายที่นั่นมาแล้วท่านพระมหากัสปะ ก, ก็กระทําอย่างนี้ได้เหมือนกัน นี่เป็นอาพิญยาที่สี่ดูกรภิกษุทั้งหลายเร่าหวังว่าเราย่อมเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังตายกำลังเกิดเลวประณีตมีผิวพันธุ์ดีประณีตนี่ก็คือก็ดียิ่งนะนะสัตว์เกิดในภูมิที่มันมีทุกข์ก็ถือว่าเลวเกิดในภูมิที่มีสุขมากก็ถือว่าดี มีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ามได้ดีตกยาก